พูดว่าใครสักคนเพอร์เฟกคุณกำลังจ้องมองสิ่งที่ตัวเองอยากได้และบังเอิญใครคนนั้นมีครบแท้ที่จริงคุณอาจจะยังไม่ได้เห็นอะไรเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งความพอใจในตัวเองของคนคนนั้นความเพอร์เฟกตของใครสักคนควรวัดจากความรู้สึกพอของเจ้าตัวอันสะท้อนความครบ ไม่ขาดไม่เกินหาใช่ความรู้สึกว่ามีดีไปหมดของคนอื่นอันเกิดจากสายตาที่มองมาได้แต่รู้หน้าไม่รู้ใจคนที่เพอร์เฟคในสายตาใกลๆอาจกำลังตะเกียกตะกายหาสิ่งที่ขาดไปแต่ไม่มีใครรู้อยู่ก็ได้ความรู้สึกพอเริ่มต้นจากมุมมองและวิธีคิดและลงท้ายที่สุด คือความอิ่มเต็มของดวงจิตอันเป็นสุขถ้าคิดเป็นมองเป็นชีวิตทั้งชีวิตก็มีครบได้เหมือนเช่นบางท่านที่อดมื้อกินมือ้อหาข้าวด้วยลำแข้งอย่างพระในป่าลึกแต่ถ้าคิดไม่ถูกมองไม่เห็นชีวิตทั้งชีวิตก็เหมือนไม่มีสักอย่างได้เช่นกันแบบเดียวกับคนที่กินอิ่มทุกมือ้อ หาข้าวหาปลาด้วยรถราอย่างชาวบ้านในเมืองใหญ่มนุษย์มีความคิดเป็นสิ่งครอบงามใจตนเองแล้วก็มาคิดเทียบเราเทียบเขาทุกวันข้อเท็จจริงคือสิ่งที่คุณไม่เพอร์เฟมันเป็นจุดบวกกล้องทางวิธีคิดดำเนินชีวิตแบบที่จิตหิวไม่ใช่จิตอิ่มคนที่ยิ่งใช้ชีวิตยิ่งอิ่ม คือคนที่เปรียบเทียบตัวเองในวันนี้แล้ว เ, เห็นว่าดีกว่าตัวเองในวันก่อนไม่ใช่เปรียบเทียบตัวเองคนนี้กับคนอื่นเพื่อเห็นว่าแย่กว่าความเลิอดเลือเพอร์เฟคของเขาความวิตกกังวลล่วงหน้าไม่ได้ช่วยอะไรเลยนอกจากจะไม่แบ่งเบาความทุกข์ในวันหน้ามันยังปล้นความสุขในวันนี้ไปจนหมด ความเสียดายย้อนหลังไม่ได้ช่วยอะไรเลยนอกจากจะไม่เยียวยาความทุกข์ในวันก่อนมันยังทำลายความสุขในวันนี้ลงอีกด้วยยิ่งเสียใจกับอดีตมากขึ้นเท่าไหร่แนวโน้มคือใจจะยิ่งห่วงกังวลวิตกโล่งหน้าเกี่ยวกับอนาคตมากขึ้นเท่านั้นวิธีสร้างอนาคตให้ดีที่สุด คือจัดการกับวันนี้ก่อนวางแผนถึงวันหน้าไม่ใช่เอาแต่พะวงถึงวันหน้าก่อนจัดการกับวันนี้วิธีจัดการกับอดีตให้ดีที่สุดคืออย่ามัวสมมุติว่าย้อนเวลาได้แล้วจะแก้อะไรดีให้สมมุติว่าถ้าสำนึกได้เดี๋ยวนี้มีความคิดไหนให้เปลี่ยนบ้าง ความกังวลใกล้เคียงกับฝันร้ายสภาพจิตเหมือนยึดติดอยู่กับภาพหลอนไม่เลิกเรื่องใดทําให้คุณกังวลใจได้เรื่องนั้นจะติดเข้าไปอยู่ในความฝันง่ายกว่าเรื่องอื่นนั่นสะท้อนว่ายึดสิ่งใดเหนียวแน่นสิ่งนั้นก็ครอบงำใจได้ทั้งยามหลับและยามตื่นจะหลับหรือตื่น ก็ต้องลิ้มรสแห่งทุกทันเดียวกันเพื่อเลิกกังวลบางทีอาจต้องตั้งคำถามกับตัวเองซ้ำๆว่าความกังวลช่วยอะไรได้เมื่อคำถามนี้กระทบใจจริงๆใจจะคลายออกจากอาการหลงยึดแล้วเหมือนบอกตัวเองกูจากภาวะผ่อนคลายว่าความสบายใจต่างหากที่ช่วยได้ เพราะคนเราไม่ได้คิดอะไรดีๆตอนกังวลแต่เป็นตอนสบายใจหลอดโปรง่งโล่งอกเท่านั้น